สร้างเอออาหลลกนนในตัวตตนเรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยดังตรึีด้วยแร <dans S 2> งพยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพ้าพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงรับลายถาม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 พอสนใจอ่านสนใจฟังธรรมะแรกๆ ก, ก็เหมือนเย็นลงทยานอยากน้อยลงไฟสงบและค้นหาสมบัติภายในมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อได้ครูบาอาจารย์ที่สงบเย็นเป็นหลักใจได้กราบคราวใดก็เหมือนจะสละโลกได้ตามท่านคราวนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปพอต้องกลับไปวุ่นวายกับธุรกิจในช่วงขาลงก็เกิดความกระวนกระวายกลัวเจ๊งกลัวไม่ได้เพิ่ม กลายเป็นคนทุกข์หนักเหมือนเดิมยิ่งเห็นยอดขายดิ่งลงไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นก็ยิ่งเศร้าและรู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมายังไปไม่ถึงไหนแต่ก่อนแค่เครียดเรื่องมีไม่พอยังไม่รู้จักความเศร้าเพราะยอดขายเอาแต่สุดกับสุดดังที่กำลังเป็นอยู่คำถามคือยังผมเนี่ยเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแบบใด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 วันไหวเพราะการอัตคัดขัดสนสมบัติเข้าขั้นยาโจกนั้นน่าจะก่อให้เกิดความทุกข์กายอึดอัดใจคิดมากเครียดหนักอยู่ในภาวะพึ่งพาอาจถูกบีบคั้นให้ตัดสินใจเบียดเบียนสังคมหรือถึงทางตันต้องทำทุจริตคิดร้ายกลายเป็นมิจฉาชีพไปการเหลือเศษบาเศษสตางเพียงน้อยควรอยู่ที่จะก่อความรู้สึก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 ต่างก็แห่ไปขอส่วนแบ่งความสุขจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกกันอย่างล้นหลามมนุษย์เราเกิดมามีจิตแบบขอทานด้วยกันทุกคนพวกเราถวายข้าวราคาถูกให้พระฉันเพื่ อ, อยังชีพแต่พวกท่านแบ่งปันความสุขแสนแพงให้ใจเราไม่แห้งหายทางโลกนั้นคุณไม่ต้องขอข้าวใครกินก็เพราะทำงานทำเงิน ตลอดจนทำตัวดีพอจะอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องวิ่งหนีเจ้าหนี้หัวซุกหัวซุนตลอดจนไม่ต้องแบมือขอเศษสตางจากคนอื่นฉะนั้นทางทำคุณก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะไม่ต้องวิ่งหนีความทุกข์ตลอดจนไม่ต้องแบมือขอเศษสุขจากครูบาอาจารย์ท่านไหนสิ่งที่ผมขอแนะนำเป็นอันดับแรกคือให้สังเกตเข้าไปในใจนะครับ หลายครั้งจิตของคุณหิวได้เสียยิ่งกว่าท้องหิวข้าวเมื่อใดเห็นความหิวชัดๆก็ให้ถามตัวเองเมื่อนั้นว่ากําลังคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามขอให้ตระหนักว่าความคิดนั้นผิดเพราะไม่ทำให้ใจอิ่มเอาแต่หิวโหวยแหง้แหงแล้งจะจำไวส้สั้นๆเพื่อง่ายต่อการระลึกก็ได้ครับถ้ายังทุกข์หนักไม่เลิก แสดงว่าที่ผ่านมาคิดผิดหมดคิดให้ถูกคิดให้ไม่ต้องทุกข์หนักคิดให้ใจสงบสุขเป็นอย่างไรลองจําแนงเป็นข้อๆกันดูทดลองได้เดี๋ยวนี้เลยว่าคิดแล้วสุขจริงไหมหนึ่งคิดให้ไม่ใช่คิดเอาอาการคิดเอานั้นเหมือนโรคร้ายที่ต้องซากซึมเข้าสู่จิตใจทุกคน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 หากคุณทำบุญเพื่อความสบายใจได้ถีๆดวงจิตคุณจะแปลกเปลี่ยนไปเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งยังโลภย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือเมื่อสังเกตอาการทางจิตคุณจะเห็นความจริงว่าธรรมชาติของความโลภนั้นมีอาการดึงดูดเอาเข้าตัวผลของการสั่งสมคือความอึดอัดคับแน่นกับทั้งเพิ่มแรงทยานอยากขึ้นมาใหม่ส่วนธรรมชาติของการสละให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 มีแต่ทุกข์กับแรงดิ้นใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณซื้อรถสปอร์ตมาขับเล่นคันละ30สบล้านเป็นตังหากจากคันใช้ไปทำงานจริงนั่นแปลว่าคุณรวยแบบหมดกังขาเพราะ30สิบล้านต้องเป็นแค่เศษเงินโลกนี้มีของเล่นราคา30สิบล้านก็เพราะมีคนรวยระดับเห็น30สิบล้านเป็นเศษเงินนั่นเองไม่ใช่ความผิดอะไร เป็นเรื่องที่บุญเก่าบุญใหม่อนุญาตให้สมอยากแม้เป็นเรื่องไม่แฟในสายตาของเหล่าชนผู้ด้อยโอกาสก็เป็นเรื่องแฟในวังวนของเกมกรรมประเด็นคือเมื่อได้รถสปอร์ตแล้วใจคุณยังอยากได้รถสปอร์ตคันใหม่ในเวลาอันสั้นหรือเกิดการเรียนรู้ว่าได้ใหม่ก็แค่นั้นวันหนึ่งต้องเบื่อแล้วหาใหม่อยู่ดีไม่ต่างจากคันเดิม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 และเพื่อจะคิดให้ได้เช่นนั้นก็ต้องมองเข้ามาให้เห็นจริงว่าทั้งเนื้อทั้งตัวคุณมีอะไรได้แค่ไหนกันแน่ชั่วเวลาขณะที่ฟังประโยคนี้อยู่คุณเก็บลมหายใจเข้าไว้ได้ไหมไม่ได้เลยชั่วครู่เดียวคุณต้องระบายคืนกลับสู่ความว่างภายนอกชั่วเวลาขณะที่ฟังประโยคนี้อยู่คุณเก็บความปลอดโปร่งสบายใจ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 เพียงเพื่อจัด ก, การอะไรบางอย่างให้เรียบร้อยบริหารสมบัติให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ใช่ห่วงสมบัติไว้กลุ่มเปล่าดังเคยอีกต่อไปอทางประเซิดช่วยนําสู่แดน่ไหลนิรันกันราแรงแ ห, งห่งเกิดเท่าใดฝาฝันดันดน ไปจน